กำหนดหยุดธรรมาดา่าไหนสบายหนักอรกมาในต่นนอตื่นแล้วก็อยากอยาูดมีคาอยากมันก็คถอมีราาดสชาตการฝดก็ดีนี่วาสนาในการฝูดธรรมะเห็นดูเห็นอะไรมาเคยมีความอยาก การจำเป็น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 คนเราถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่แปลกอะไรตัดตัดการคิดจึงการแตะคำการพูดนี่จะวัวไหลไปตามเรื่องของโลกน ค, คนไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะภายในใจการคิดกัดีการพูดก็ดีการทำาัวดีเรื่องของโลก ต้องยุติเหตุใดเพราะมันฝ่าฝืนกับเรื่องธรรมะเหตเรื่องธรรมะอาเทศให้คนเติร์นใปตามเรื่องของโหลมันก็เหตุง่ายเหตนถูกกิเลสของคนเหตุง่ายแต่มันคิดอัดทำอาเทศเรื่องอัดทำ คนฟังไม่เคเข้าใจควาฝ่าฝืนกิเลสเกิดมาก็ไม่เคยใส่ใจวิจะอะไรนาเหื่องธรรมะฟังแล้วก็เบื่อฟังแล้วก็ไม่เฮ่นปวดไปเรื่องของโลกเฮินเหตุนั้นเรื่องของโลกจึงดึงดูดจิตใจของมนุษย์ผัวฝ่ายในหลังไหลไปคือเรื่องของโลก เราจะเห็นได้ไง่ายเขามีเพลงมีหมอลำมีละครมีลิเจอะไรสุดในงานต่างๆทั้งๆที่ลำบากยากเย็นขนาดไหนก็ส่องไหรือหนังในโรงกูเมือนกันผ่านประตูก็ต้องเียบค่าอยู่ัะเอียดจนขนาดไหนก็ยินดีเต็มใจ แต่วัดวาศาสานาเปิดประตูอ่าอยู่ทุกเวลาที่ทักผ่อนหย่อนใจส่สะดวกสบายหนังสตลมสลาโดยมีอะไรไมาเกี่ยวข้องยุ่งเยิ้งถึงแต่นั้นก็ยังไม่เต็มใจกันอยากจะสะดับเัาฟังอยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะมันฝ่าฝืนการจิตใจของเขา พวกเราทุกคนีด้านดลพอมาสู่วัด น, นี้ต่างชั้นต่างคนกม็มาอยู่ในสิน่นนี้มาจากต่างประเทศก็มีและคนอยู่ในวัดนี้ดูเหมือนจะหลายจังหวัดแต่คนจังหวัดตะกวนหายเดียวมาจากจังหวัดต่งตางๆสุพรรณบุรีไรดอง ราดบุรีเชียงรายหลายแห่งบนยะดเขชอน <c oughs> สายจังหวัดคอนแก่นก็มีมีเป็นเรื่องพวกขี่สแสวงหาวิเวศแสวงอัตธรรมที่เขามา ร, รวมกันเป็นกลุ่มต้อนเพื่อศึกษาขอวัดปฏิบัติ มาใจมาดูสถานที่พัฒนาจรหรือมาเพื่อบำรุงกิเลสมาเพืทปฏิบัติอาชธรรมสำหรับตัวฉะนั้นระยะเวลาที่มาทักษ า, าอาศัยรวมกันทวงพาตังรีเปร่งขวานขวายในตามเพียนให้หนักแน่นเข้าไปเพราะเรื่องการอยู่รวมกัน ไม่เป็นของกีรังอย่างยืนไม่แน่นอนไม่ทันจากไปเราจากท่นไปเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะจากกัน <c oughs> <c oughs> เวลาอยู่เราจะต้องมีความดีเป็นเครื่องรลลึกยึดหน่วงนามใจกรารการปฏริบัติ มุงหน้ามุงตาศึกษามุงหน้ามุงตาชำระจิตวิ mana ของใจการประพฤติปฏิบัติถ้าหากไม่เห็นอัตธรรมศรัทธาตามเชื่อก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นอัตธรรมภายในตัวประพฤติปฏิบัติได้รับความสงบสงัดสะดวกสบายจิตใจในวุ่นวาย ก็ควรตัวเองแต่ถ้าทําเชื่อเกิดขึ้นทวามเสียนหลังไหลมาเพราะเห็นผลสินจากตนของตน ท, งทีน่กระทำบาเพ็ญแต่เป็นปกติผู้ที่ทำหน้าที่อะไรไว่าทำไรทำนาหรือทำราชการงานเมืองต่างๆ ทำอะไรมันก็ต้องที่อุปรสรรคแล้วก็เห็นการงานของคนที่ทำไปขอสมควรใจของพวกเราท่านเคยสงบสงัดเคยกระทึงงะตปฏิบัตรริรวมๆหรือเห็นมินิต่างๆในบางการบางสมัยเพราะ อ, อำนาจสติของเราปัญญาของเรายังไม่เพียงพอ พอไปศพพบเข้าจิตใจยอมตื่นเต้นยินดีเพิดเพลินในความเ็นของสูวตรวเคลื่ไปก็วเคืไปบางทีก็ทั้งช่างีเรารักษาขอวัดปฏิบัติทุกอย่างคงเจนคงวาแต่ความเสื่อมของใจมันก็เกิดขึ้นเคยทำได้ไม่ได้ เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เกิดตามขยายใจน้อยใจต่ำใจมีเรื่องส้นทางมันเดินไปแบบนี้ต้องโดนทุกคนความเสื่อมความเจริญของใจบรรดาผู้จีบเป็น ทันชาทิญญาทุกขาปฏิปทาทันช า, า, า, า, า, าทิญญาคือปฏิบัติญารู้ชาจะต้องโดนเรื่องเหล่านี้แต่ทิย่าอไรก็ดีเมื่อเคยเสื่อมเคยเจริญอยู่บ่อยๆแต่เป็นเสื่องศึกษาเป็นเรื่องแนะสอนตัวเองปัญญาจะต้องเกิดขึ้น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 ได้อุบายจากการกําหนดพิจรารณาทราบแน่นอนในใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นต้องเสื่อมไปได้พอมีการเกิดจะต้องมีการสลายสิ่งที่เกิดไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียไม่ได้คืออะไรนั่นจุดสําคัญของนักปฏิบัติจะเพืพื่อปฏิบัติให้รู้ให้เห็น สเหล่านั้นแล้วเลยไม่ตื่นเต้นยืดเสียใจเพราะการเสื่อมการเจริญหน้าที่มีอย่างไรก็อเพื่อปฏิบัติหนักแน่นตรงไหนส่วนนั้นไม่สงจิตไปอดีตอนาคตเพราะคิดไปแล้วเรื่องเสื่อมมันก็เสื่อมไปแล้วจะให้มันดีวิเศษขึ้นอีกอย่างไร เหมือน ก, นกันกับเราคิดถึงอาหารที่เราเคยทานมาอันนั้นอร่อยอร่อยแต่เราทานมาแล้วทายออกแล้วไปคิดเท่าไรทวามอิ่มน้ําสํารานก็จะได้เกิดขึ้นเรามีอะไรที่จะทานทานกันไปการพิจารณาทำภายในใจก่อนทำนองนั้นอะไรที่สัมผัสกับใจในปัจจุบัน ที่เรนาอยู่นั้นความเสื่อมมันก็เสื่อมไปแล้วความจเจริญ ม, มันก็จเจริญไปแ ล, แล้วรู้อีกประทับเข้าเวลาเราจเจริญใครหามาให้ความจเจริญของใจส่วนนั้นเราทําอย่างไรจิตใจจึงได้รับความจเจริญของใสจิตใจจึงได้รับความเบาความสบายแล้วเราทําอย่างไรมันถึงเสื่อมถึงเสียไปใครสมวยของเราออกไป เวลาได้ก่าใครอามาให้เวลาเสียก่าใครขโมยไปมันไม่มีอะไรเสื่อมอะไรเจริญนั่นเป็นอาการอันหนึ่งของจิตต่างหากใกแต่ทัตัวจิตจริงจิตจริงไม่ได้เสื่อมไม่เจริญไปตามส่วนเหล่านั้นไปจักทัดใจว่าริงที่เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นจะต้องเสื่อมจะต้องสลายไปแล้วก็ไม่หวานไหว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 ยังไม่ถึงขั้นนั้นจิตใจจะงมีการเสียใจมีการดีใจถ้าถึงขั้นนั้นไม่มีในทางเสียใจดีใจหน้าที่นี่อย่างไรก็ระพืตไปการหน้าที่ของตนจิตเมื่อเข้าถึงเรื่องเหล่านี้จริงจังภายในตัวเลยวะไม่ได้คำนึงไม่ได้งมนอกอะไรสัมผัสใจประพฤติปฏิบัติอยู่เรื่อยไป แล้วความเป็นความเห็นความรู้ต่างๆมันเกิดขึ้นตามระยะตามเวลาของมันแล้วก็มันดับไปตามเรื่องของมันสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเรายังไม่เห็นซึ่งขอยแต่คลุบเงาถ้าหากเราเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคืออะไรมันหมดปัญหา ที่นี้พี่แนาศึกษาประพฤตปฏิบัติเพราะริงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราตามเสื่อมเขาก็ปฏิบัตเขาเสื่อมตามเจริญเขาก็ปฏิบัตเขาเจริญแต่เราไปสมมติมั่นหมายสิงได้ที่เราชอบเราก็ดีใ จ, จริงได้ที่เราไม่ชอบเราก็เสียใจ เลยถือการดีใจเสียใจเป็นเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญความจริงเรื่องเหล่านี้ผู้ไม่เพื่อปฏิบัติก็มีก็เห็นก็รู้เหมือนกันแต่มันเห็นต่างกันรู้ต่างกันเห็นเกิดมาจากเหตุอื่นเรื่องอื่นภายนอกไม่เห็นเกิดขึ้นจากตัวของตัว ดังนั้นการปฏิบัติจงที่นี้ที่เจรนาจงรักษาจิตใจของตนอจะให้วิ่งวุ่นเกย่วข้องกับเรื่องอดีตอนาคตอะไรสัมผัดอยู่ในตัวนี่ที่นี้ที่เจรนาอันนั้นพิจรนาไปพิจรนาไปใจจะรู้เห็นตามเป็นจริงข้า เพราะสิ่งทั่วไป <c oughs> มันไม่มีอะไรที่จะหลงนอกจากจิตจิตอันเดียวเท่านั้นทำให้ยุ่ทั่วโลกเ๋ยวไปคิดรุงอย่างนั้นคิดรุงอย่างนี้เพราะไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาเน้นสอนตัวแล้วก็ไปกล่าวสู่เรื่องนอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ตัวโจรจริงๆคือจิตไม่เห็นได้ไม่ได้จับโจรผลที่สุดเลยผนเลยลักเรื่อยๆไปทำให้บ้านเมืองวุ่นวายผัดพล้องตัวโจรตัวจิตตัวกิเลสตัณหามันอยู่ภายในมันไม่นอยู่ภายนอกหากเรารู้เห็นเรื่องของมันจริงจัง แล้วก็จับตัวมันถูกเมื่อจับตัวมันถูกมันอยู่ในกำมือของเจ้าหน้าที่ถึงโจลคนนั้นจะเคยป้นจี้ถาดตีอะไรต่ออะไรจี่ป่าถามากว่าต่างถ้าอยู่ในมือกามือของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จับกุมคุมตัวได้มันจะไม่แสดงกิริยาอะไรไปอีกจิตใจที่เคยดื้อดึง นึกคิดขัดข้องอุ่นวายก่อทำนองเดียวกันเพราะจิตนั้นยังไม่ถูกสติปัญญารักษาคุ้มครองมันจริงนึกคิดติตตามเรื่องนอกๆ น, นั่นนี่ น, น, นี้ถ้าหากถูกสติคุ้มครองรักษาปัญญาเนี่ยสอนอยู่แล้ว ยังใจคิดขึ้นภายในใจจะเทียมออกมาหรือจะพูดตามภาษาของชะว่าสังฐานตรุงเท่านั้นทันสติปัญญารักษาอยู่ตลอดเวลาสติปาปัญญาขมเหมือนแขกยามเป่าประตูผู้คนที่ผ่านออกผ่านเข้ารู้จัก สติระยะนี้เป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาไม่ต้องทำท่าหรือตั้งห่ากำหนดมันเป็นอัจฉริยะของมันเองมันรักษาอยู่อย่างนั้นยิ่งเป็นเรื่องภายนอกเรื่องของกิเลสตัณหามันสะเทียนใจสะเทียนหนักเรื่องภายในเรื่อง อาจเรื่องธรรมมันสัมผัสอยู่ทุกระยะที่จะไปคิดปรุงเรื่องนอกนอกนนาไม่มีมันสัมผัสอยู่อย่างนั้นเราไม่มีโอกาสเวลาที่จะไปเกี่ยวเกาะขวบพันกับเรื่องของโลกนี่เปนเรื่องอาจเรื่องธรรมสร้างอยู่ตลอดเวลาทมอันนี้เกิดขึ้นทำอันนี้ดับไปทีนี้พิจารณาอีอย่างนั้นนี่คืจิตเข้าขั้นละเอียด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 พิจารณาอย่างไรกับพิจารณาไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกอนเราตัดต้นไม้ถึงมันโดนแตกหักแล้วแต่ต่นมันยังไม่หักมันโค่นลงไปเราก็รู้ก็ตัดอยู่นั้นแล้วมันโค่นมั น, น, มนหกักมันขาดเมื่อใดนั่นก็หมดจะไปตัดมันอีกทําไมการปฏิบัติใจก็ทํานองนั้นปฏิบัติเข้าไปพิจารณาเข้าไปกำหนดเข้าไป ในเดือยวิสัยจะเห็นจะรู้แต่บางครั้งบางทีพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเกิดความรู้เกิดความสาว่างาวไว้เกิดความเติดเพลินในปัญญาของตัวส่วนนึก อ, อยากรู้อยากเห็นหน้าของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างไรมันจะมาทําให้ใจิตใจหวั่นไหวเอียงๆ อ, อีกไหมคิด หาเรื่องที่จะมาหายใจลุ่มหลงหายใจกำลังมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีสติกะปัญญาคมแต่ก็อย่าไปเชื่อมันคนที่ปฏิบัติใจบางทผนบางคนบาถ์านี้อาุช่าอาุทังในใจแล้ว คงจะสบายอย่าไปคิดว่ามันจะสะดวกสบายอาสุภะอสุภังกับสุภะมันอันเดียวกันเพาออาสุขะตกไปสุภะมันก็เกิดขึ้นสุภะคือความงามมันเกิดขึ้นนี่เป็นจิตในขั้นที่ปฏิบัติใหม่ๆเรื่องใจ ถาไปได้อสุภาษะอย่ากไปไหว้ชี้เหลียมมันจะหมดจะข้ามเรื่องของกรรมไปได้มันมีเคล็ดลับของใจคนที่ได้อสุภาษะเก่ ง, ต, งตายไปนับไม่ได้ตายจากเขตุเพราะเหตุดายพรนอนใจแต่เรามีอสุภาษะแล้วพิะไรนะอะไรก็เห็นแต่หลางกระดูกเห็นแต่พร้อมปติปูณจะไปกําหนัดยินดี เกิดเพินทำไมเลยตายใจนอนใจพอใจว่าจิตของตัวห้ามไปจับเรื่องลาะแต่ความจริงแล้วยังยังไม่ข้ามยังจะข่มขี่เอาไว้พอพิจารณาไม่ได้เกิดร้อนรนตะวนตะวายเลยไปกันใหญ่จิตที่ยังไม่ฝึกอบรวมปฏิบัติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งความนหนัดยินดีความ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 เขาก็พอไปพอมากินได้นอนสบายแต่คนรวยแล้วเกิดทรัพน์นั้นนี่บตรไปเสียใจใหญ่ถึงจะมีเงินมีทองพอองควรอยู่ก็รู้สึกว่าจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายมากีผูดถึงคนพูดถึงสัตว์เสือธรรมดาอยู่ป่าเสือเป็นสิ่งที่คนหนา่ากลัวมันกลัว ค, คน ไม่ค่อยทรมรเห็นคนมันกกลัวแต่เสือที่ไปถูกคนยิงเขา้าแต่มันไม่ตายนั่นแหละร้ายที่สุดที่เรียตัญหาของเราก็เหมือนกันถ้าขามันไม่ตายล่ะมันร้ายมันกลับกับตัวเองให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนท่านื่อว่ากรรมฐ า, านแตกเคยเห็น เคยได้ยินที่ที่ิจรนาอสุภะก็มาฐานจริ ง, าทางๆที่เขาเสื่อมไปศึกไปเพราะตายใจนอนใจเข้าใจว่าจิตของเราดีวิเศษแล้วห้ามไปได้แล้วจากราซาตันหาแต่นานๆมาทำไม่ได้อย่างที่เคยทำก็เลยเสียใจ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 จะต้องรู้จักจะไปพิจารณาอะไรเรื่องลูกมันเป็นอะไรธาตุขันเรากป็รู้จักอยู่แล้วสมมติว่าหญิงชายหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องของจริงใครเราไปสมมติส่วนเหล่านั้นไปยินดีส่วนเหล่านั้นส่วนเหล่านั้นมันเพียงอาวุธถ้าเราไ่เอาไปประหาตประหารอาวุธมันก็อยู่ตามเรื่องของอาวุธ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 รูปอันนี้เรื่องอันนี้อะไรเล่าที่มันลหลงไหลส่วนเหรานี้ทิไปสมมติว่าดีว่าชั่วว่าสวยว่างามเกิดกำนัดยินดีมันรู้มันคอยใจเมื่อรู้แล้วจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของรูกมันวางเองต่อยเองตอนนี้นอนใจได้เรื่องใจจะไปติดข้องกับรูปต่างต่ด้วยความเฉืมเสียที่จะ มาเกี่ยวข้องกับรูปนั่นหมนยมาเกี่ยวอีกเพราะมันไปจับโดยการที่นิจิจารณาของตัวถึงมันเคยจิดข้องมาอย่างไรแต่เมื่อไปถึงจุดนั้นมันจะไม่จิดข้องมันจะปล่อยวางจะสมมติมขึ้นมาท่าไหนมันก็รู้เพราะมันสมมติมขึ้นความจริงมันเป็นอะไรมันรู้จักอยู่มันถึงไม่หลงเร่องของรูปเ่ ของเสียงต่างๆจิง่มาสมมุิมันหมายเป็นใครกันแน่นั่นแหละมันจะติดตามทีนี้พิจรรณาเพื่อจะแยแไขตัวนั้นแต่ถึงขนาดนั้นจิตใจที่ไม่เกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องรูปเสียงทายนอกมันก็ยังไปเพลิดเพลินกับความสุขความสบายของมันติดเข้าไปภายใน กำนักเต็มใจยินดีใช้คิดในเรื่องความละเอียดของใจติดสุ ข, ขเวทานาแั่จึงให้พิจรารณาเมื่อจังพิจารณาได้พิจารนามันไปมันพอเป็นอย่างไรนั่นไม่ตรงบอกเะต้องรู้จักมีหน้าขี่ของฝูปฏิบัติอย่าไปหลงไหลเอาง่าย เวลาเสื่อมก็จะไปเสียใจเวลาดีก็จะไปเตือนจนลืมเห็นลืมผลหน้าที่ของตนจะต้องประคฤปฏิบัติอย่างไรประพฤปฏิบัติไปในเหลือวิสัยทำของพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาสาวกทั่วไปเคยชาระสาสางจิตใจของท่านเคยรู้เห็นเป็นจริงได้ เราทั้งหลายก็เป็นมนุษย์เหมือนกันรีบเร่งค้นคว้าประพฤติปฏิบัติมีสติสอบสือจิตใจอยู่สม่ำเสมอคิดอย่างนี้เป็นทางอาจทางธรรมเป็นทางสมรส า, าสารหรือเป็นเรื่องเติมเติมเสริมต่อเรื่องที่เลวควรหรือไม่นักปฏิบัติอย่างเราจะไปคิดไปปรุงในเรื่องเหล่านี้ต้องมีสติและปัญญา แนวสอนตัวเสมอไปถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็รักษาง่ายจิตใจไปสถานที่ใดก็ดูแต่จิตใจใจของตัวสม่ำเสมอเพราะเฉวดีต่างๆภายนอกไม่เป็นปัญหาเท่ากับจิตใจของตัวที่ไปสมมติมั่นหมายหรือว่าชั่ววดีต่างๆถ้าหากเรารักษาจิต รักษาใจมาแหย่ไปท้ายจิตติดเรื่องภายนอกสงวรระ ว, วังอยู่สม่าเสมอทําละเอียดของจิตจะละเอียดเลื่อยไปผลที่สุดความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นจากการที่นิจจารนาของตนแล้วคนแบบนั้นสร้างทําอยู่ตลอดกาลคือทําที่เกิดขึ้น และดักไปภายในใจของตัวม่ต้องไปฟังจากคนอื่นเรื่องของใจมันเป้นอยู่อย่างนะที่ท่านเอามาเทศมาแนะมาสอนท่านก็เห็นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เอามาจากที่อื่นตำหรับตำลาที่มาบัญญัติเอาไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เอามาจากจิตจากใจท้งนั้นที่มาเขียนกันไม่ใช่ได้มาจากที่อื่น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 เห็นไปจักแล้วอื่องทั้งโลกทั่วไปมันก็ประจกักมันจะเป็ประจากอย่างไรล่ะโลกมันกเกิดขึ้นจากใจของเราที่ไปสมมติมั่นหมายเรารู้เรื่องของเราชัดเจนเห็นไปจกักสิ่งที่เป็นรูปจะเป็นตน้นไม้ภูเขาหรือเป็นสัตว์ประเภทไหนก็าตามมันเป็นไปอย่างไร อันนี้จังไหมทุกขังไหมอนัตตาไหม้องเราเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นมันตัวทั่วถึงกันทั้งโลกยังดูแต่ตัวข้องตัวคนเดียวเท่านั้นู่เห็นเป็นจริงแล้วโลกทั่วโลกมันเป็นจริงไปหมดเหมือนกันหมดมันเลยหมดสงสัยถ้าหากหลง ตัวของตัวหลงกายหลงใจของตัวโลกมันก็หลงไปเพราะใจมันเป็นผู้หลงันั้นการศึกษาการปฏิบัติใจจึงเป็นของสำคัญนควรมองข้ามจะต้อง ป, ฏ, ปฏิบัติทีนี้ที่จะรายนามันคิดตรุงเรื่องอะไรดีชั่วยอย่างไรเป็นเรื่องํำละหรือเรื่องหามาเสริมเติมก่อทุกข์ใส่ตัวเอง ชนิดที่เจนะ่ะในอย่างนั้นเสียวันเสียเวลาคิดอะไรก็ตามเรื่องมันไปจะได้ผลได้กาไรหรือจะขาดทุนไม่เด็คํานึ่งบวกลบดูเต็แต่อากาศจินยาเดินก็ทําท่านั่งก็ทําท่าต่จิตปรุงไปตามกิเลสตัณหาหรือเป็นไปเพื่อธรรมะไม่ได้สอบสื่อเลยคิดบัญชีกัน แต่เพียงแต่ทำอยู่อย่างนั้นคิดถูกดีชั่วอย่างไรได้ไม่ได้เรื่องสึบสอบเรื่องของตัวสมันเสมอดีชั่วมันไม่มีอยู่ที่อื่นสุดอบรมที่นี่ที่เจรณาจิตใจมันชำระได้ขัดได้าาหาควานเหลือวิสัยเราพระพุทดธดเจ้าหรืออรหัสตอรหันต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 ที่มันยินดีมันก็ยอมยอมทำแต่เรื่องที่จะให้มันดีมันเด่นมันไม่ยอมต้องบังคับบรัญรชาเหมือนเราขึ้นภูเขามันต้องลำบากยิงลากเขยนข <c oughs> องห น, หนักขึ้นลำบากมากหากปล่อยลงมาจากที่สูงมันง่าย มันไหลลงเองนี่จิตของเราที่จะควรกระแสเข้าไปหาอาจทำมันก็ต้องลำบากแต่คุณค่ามันมีขาไปถึงขี่ถึงฐานอยู่ที่ต่ำที่หลุ่มแล้วก็เคยอยู่มานมนานแล้วจิตใจที่เคยหลุ่มหลงพักพันตามเดืองของโลกความสุขความสบายแค่ไหนเป็นอย่างไร ก็พอที่จะที่นี้พิจารณาได้การเรียนายตายเกิดของเราทราบไม่ได้ว่าจะยังอีกกี่พักกี่ชาติจึงจะถึงที่สุดวิมุตได้เราจะยอมเกิดยอมตายยังจะยินดีจองฝ่ายช้าทั่วปฏิทีตัวทั่วแผ่นดินอยู่หรอือแล้วการเร่งรีบขวนขวายสอนจิตสอนใจ มคมขืนจะทำความดีถึงจะยากลำบากมันก็ยังมีจุดหมายปลายทางที่จะจบสิน้นได้ไม่ได้เกิดได้ตายทุกยากลำบากอีกต่อไปรอนใจให้หนักแน่นอย่างนั้นเดี๋ยวลงมือทำกันจิตมันอยู่ในที่ต่ำามเคยอธิบายมามันหนึ่งมองเห็นอะไรเห็นแต่ตัวของตัวเท่านั้น จะคิดเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจของสัตว์อื่นจะนคิดคิดกว่างขวางอะไรมันคิดไปไม่ได้เหมือนคนอยู่ในหลุมในบ่อมองเห็นท้องฟ้าขนาดฝ่ามือเทนะ่านั้นแต่คนขึ้นบนหลังเขาสูงๆห่ะมองไปที่ไหนมองในไกลก็ไม่มีอะไรจิตบงัง ตาข้างเขาคนอยู่ในบอ่อลึกมันมีขอบของบอ่อปิดกั้นเอาไว้จิตใจของพวกเราที่มีที่เเหลวตัญหาแฉบเผาวขอทํานองเดียวกันมันอยู่ได้ที่ต่ำจะมองหาอัธยาธิมันลําบากแต่พยายามปีนขึ้นจากบอ่อปีนขึ้นจากหลุมขึ้นได้จะเห็น ของฟ้าอากาศมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนพยายามะพื่อปฏิบัติตัวของตัวให้จิตมันเดินไปสู่อาจถู่ธรรมอย่ากให้มันไหลลงไปสู่ที่ตักเมื่อจิตเดินขึ้นไปสู่อาจสู่ธรรมแล้วความเขียนความเป็นความสุขความสบายความเยน็นเย็นเป็นอย่างไรเขียนไปทุกระยะ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 ไม่ใช่ตั้นหาหรือมีความอยากอยู่จิตมันจะเป็นไปได้ทาไมจะรวมได้อย่างไรเพราะมันอยาก ม, มันยังไม่อิ่มหน้าที่นี้อย่างไรทาไปไม่ต้องบนไม่ต้องคิดถึงยังที่ล่วงไปที่ยังไม่ถึงกาหนดที่นี่พิจารณาอยู่นั้นคนที่อยาก จะไปถึงนู้นอยากจะไปถึงนี่แต่ ไ, ไปสักทีบ่นอยู่นั้นมันก็ไม่ถึงถ้าเดินไปไม่ต้องปะถนาไม่ต้องวายอยากแต่หน้าทีเดินไปเรื่อยๆื่อมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้มีการปฏิบัติเรื่องของใจกับธรนองเดียวกันมันทานไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่สติปัญญาที่จะมาแก้ไขจิตใจของตนให้หายจากความขัดข้อง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 ถึงจะพูดไม่ถูกตามสมมติตามมัญญิตัวต่าง ม, มันก็รู้เหมือนคนไม้มันกินเริกเข้าไปมันเผ็ดมันก็รู้จักจแต่มไม่เคยพูดว่าเผ็ดแต่มันรู้จับพอมันสัมผัสกั บ, บริ่นของมันฉันใดการต่อพืชอาจต่อพ ธ, ธรทมกับทานองนั้น ถ้าหามันไปจากในตัวรู้จักนั้นเป็นอย่างไรดีชั่วผิดถูกเมื่อตัวดําเนินตัง้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดได้รู้เห็นไปจากอย่างไรคนที่เขามาศึกษาต่างหน้าปฏิบัติมาเขามาศึกษาอะไรจิตใจเขาอยู่ในตอนไหนระายะยาใดคนผิดผ่านไปก่อนก็บอกได้ว่าต้องทำอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้น ในขัานนี้อยู่ในระยะนั้นเหมือน ก, นกันกับทางที่เราเคยเดินอยู่ทุกวันตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้รู้จักเขาเดินมาปฏิบัติมากเหมือนเขาเดินม า, มามาถึงตอนไหนเขาก็พูดตอนนั้นถ้าหากพูดถึงจุดหมายอันเดียวกันมันก็หมดเรื่องถ้าหากเขายังสำคัญกว่าที่นั้น แต่นนั่นที่นี้เป็นนี้เราก็พอตอบถูกไว้ไม่ใช่หรือใช่พอเราไปก่อนผ่านไปแล้วหมายถึงจะสอนแต่เนี้ยคนอื่นจะสอนหรือนี้ยคนอื่นหรือไม่สอนนั่นก็ไม่ขาดทุนสุนกาไรอะไรมันเลยมีอะไรที่จะได้จะเสียอ่าคิดถึงที่ จิตดีเด่นจริงจังแท้หมดเรื่องใหญ่เขาสั่นแล้วเสนี่ยมเฉยกว่าเป็นลมปากของเขาเขาดีใจกว่าเป็นใจของเขาเขาเสียใจกว่าเป็นใจของเขาเราจะมีการดีการชั่วอย่างไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องความบริสุทธิ์ของเขาคงเต้นคงวาอยู่ ตั้งแต่วันรู้จนกระทั่งวันตายหรือวันมิพานจะเข้าสี่หรือไม่เขา้าที่ไม่เป็นปัญหาจิตธรรมระตกฟอกหมดทุกอย่างแล้วสะอาดอยู่อย่างนั้นไม่มีโปกๆหกกาปุ๋ดถึงความสะอาดปุดถึงสมมติรู้ประจักษ์เฉพาะตัว ความอยากหมดไปใจที่หมดความอยากหมดทุกทำอย่างไรจึงจะหมดความอยากได้จบพราที่นี้พี่เจอนะรู้เห็นตามเป็นจริง